แนะนำบทอัลกอศัดบทอัลกอศัดเป็นบทมักกียะห์มี 3 องค์การได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ต่อนบีของพระองค์ด้วยการประทานความดีอันมากมายและความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และปรโลกเช่นแม่นามอัลกอศัดและอื่นๆจากนี้เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ทั่วไปให้แก่ท่านทะเราะซูล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 บนหออาซานและมิมบัตและชื่ออันประเสริฐของท่านเป็นที่กล่าวขานแก่ทุกๆคนคงอยู่ตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออินนาออฏอยนากัลเคาอ์ซัรถ้าจริงเราได้ประทานแม่น้ำอัลกอซัร แก่เจ้าแล้วตศลีลิรบบิกวัลฮัจดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พลีอินนะชานิอะกะฮวัลอบินตดแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด